จริงก็มีในหน้าหน้าแปดนะหน้าแปดอะ่ะข้อยี่สสามที่กล่าวถึงบทสิบสองอ่ะนะก็ให้ให้ดูตามนั้นเอาข้อแรกกนะ่อนนะอักขระข้อสองบทข้อสามพยัญชนะข้อสี่นิรุตห้านิเทศหกอาการทั้งหมดนี้เป็นพยัญชนะบทพยัญชนะเหล่านี้เนี่ยนะพระพุทธเจ้าแสดงไม่มีประมาณเพื่อให้รู้ว่านี้ทุกขาริยสัตว์อ่นะ สํานวนว่าโอ้ใช้คําเปลืองมากเลยนะเพื่อที่จะประกาศอริยสัจเนี่ยนะคําว่าอักคระนี่ก็คือบทที่ยังไม่สําเร็จบทที่ยังไม่สําเร็จนี่มีการอธิบายเอาไว้หลายในว่าเป็นเทศนาที่ไปด้วยจิตที่คิดถึงเหตุอันหมดจดสามารถแห่งประโยคอันบริสุทธิ์ในไตรทวารบัณฑิตรู้ได้ว่าเป็นอักคระเพราะไม่ได้แสดงออกมาคือสิ่งที่คิดขึ้นนะอย่างพระพุทธเจ้า พิจารณาสมัญตมหาปทานเนี่ยนะคิดทวานใจอย่างเดียวใช่ไหมไม่ได้แสดงทางกายและทางวาจาออกมาการคิดอย่างนั้นทั้งหมดเนี่ยเป็นอักขระเนี่ยนะเป็นอักขระหรืออีกตัวอย่างหนึงเขามีสมัยพุทธกาลเนี่ยนะก็บอกว่าถ้าพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าจริงถามด้วยวาจาถามด้วยใจต้องตอบด้วยวาจาเนี่ยนะอย่างใครอะอชิตะมานพเนี่ยนะ พรามภาวรีแนะนําให้ไปหาพระพุทธเจ้าเขาบอกว่าเขาจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็บอกว่าชั้นต้นให้ไปพิจารณามหาบุริษลักษณะสามสิบสองนะที่มาในมนของเราก็บอกอา้าวแล้วแล้วพิจารณายังไงต่อไปอีกเขาบอกว่าให้ถามปัญหาด้วยใจแล้วพระพุทธเจ้าจะตอบด้วยวาจาถ้าเป็นพระพุทธเจ้าจริงๆนะจะตอบอย่างนั้นจริงๆก็มีในหลายคําถามด้วยกันเช่นคําถามว่า พรามภาวรีเนี่ยมีมหาปริศลักษณะอะไรอยู่ในตัวบ้าง่ย้ยแล้วก็มีอีกข้อหนึ่งก็คือถามสีษะกับธรรมที่ทำให้สีษะตกอ่านะคำว่าสีษะเนี่ยนะก็คือสีษะคือหัวหัวจักเนี่ยนะหัวจักของวาตตะคืออะไรอวิชาเรียกว่าสีสะของวาตาัตะใช่ไหมทำยังไงที่จะตัดสีษะอันนี้ให้มันตกไปทำยังไงจะตัดหัวแห่งสังสารวัตนี้ได้ก็ตัดด้วยวิชาวิชา แต่วิชาก็ต้องมีองค์ประกอบนะศรัทธาสติฉันทะสมาธิวิริยะพวกนี้เป็นองค์ประกอบของวิชาที่จะทำให้ช่วยตัดศรีรษะคืออวิชชาได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นปัญหาอันนี้เนี่ยอชิตะมานพไปถามด้วยใจพระพุทธเจ้าตอบด้วยวาจาอันนี้การพูดอย่างนี้ก็เรียกว่าอักขระเหมือนกันหรืออย่างในพระเจ้าเปรสเนที่โกศลฝันนั่นนะ ฝันได้ยินเสียงเปรตสีตนกล่าวว่าทุษณะโนะโซเนี่ยนะเช่นสะก็เป็นสัตธิีวสาสะสหัสานิที่แปลว่าหกหมื่นปีเนี่ยน ะ, ะนั้นอักษรว่าสะเฉยๆอันนี้ก็เป็นอักขระเนี่ยนะก็คืออักษรทั้งหลายนั่นแหละเพราะว่าการเขียนนี่ก็ต้องเอาอักษรมารวมๆกันใช่ไหมการแสดงก็เหมือนกันเนี่ยนะจริงๆอะถ้าแยกไปแล้วก็คืออักขระแต่ละขระมาผสมกันเข้าก็เป็นเป็นเสียงขึ้นมา ส่วนเมื่อพยัญชนะหรือหรืออักษรเนี่ยมาผสมกันเข้ามันจะเป็นบทในภาษาบาลีเคเรียกบทภาษาไทยเรียกว่าคําภาษาบาลีเนี่ยบทมีอยู่สบทด้วยกันมีอยู่สอย่าง เ, เรียกว่านามบทอาขยาบทอุปสรรคบทนิบาตบทมีอยู่สนะนามอาขยาตอุปสรรคนิบาตเห็นไหมมีอยู่สบทเท่านั้นนะในภาษาบาลีเนี่ยมีอยู่สบทคําว่าบทก็คืออักขระสันนิบาต หมายถึงว่าอักษรมาผสมกันนะก็คือหลายๆพยัญชนะรวมกันเรียกว่าคำนะถ้าเป็นภาษาไทยก็มีเท่านั้นคําว่าที่เป็นคำคำในภาษาบาลีมีอะไรบ้างเช่นยายังตันหาโปโนพวิกานันทิราคาสหกตาพวกบทสวดทั้งหลายแหล่ทั้งหมดนี่เป็นเป็นบทนะที่เป็นคําๆคำคคที่เป็นคาสวดหรือเช่นคาว่านามรูปพวกนี้ก็เป็นเป็นบทเหมือนกัน อักษระกับบทนี้พระพุทธเจ้าจะแสดงกับผู้ที่เป็นอุคติตันยู่ใช้แสดงไม่มากเนี่ยเขาเข้าใจทันทีส่วนพยัญชนะพยัญชนะหมายถึงวากยะที่แสดงซึ่งอัดหลายประเภทวาพยัญชนะคือวากยะเนี่ยวากยะหมายถึงอะไรหมายถึงคําหลายๆคํามาเรียงกันถ้าคําหลายๆคํามาเรียงกันเรียกว่าวากยะหรือประโยคนั่นเองเี่ยนะเขาเรียกว่ามารวบรวมเรียบเรียงเป็น ประโยคขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าจะทําเนื้อความที่เป็นคำคำให้มันชัดเจนะนะเนีเพราะคําคําเดียวเนี่ยถ้าไม่อธิบายออกมาเป็นประโยคก็ไม่รู้เรื่องไนงะนั้นไอ้คำอธิบายมาเป็นประโยคก็ทําให้เข้าใจขึ้นอย่างตัวอย่างเขาบอกว่าพยัญชนะเนี่ยทำให้ชัดเจนขึ้นอย่างเหมือนคําย่อๆว่า อ, อิทธิบาทสี่นะอิทธิบาทมีสี่จัตตาโรอิทธิปาทาเนี่ยนะ ว่าอิธิบาตมีสี่แล้วก็ทำให้ชัดเจนด้วยพยัญชนะขึ้นว่าอิธิบาตสี่นี่เป็นไหนะนนนว่าฉันทะสมาธิประธานสังขารเนี่ยนะวิริยะสมาธิประธานสังขารก็คือเอาคำมาเรียงให้เห็นชัดว่าเอาคำนะมาเรียงแล้วมาอธิบายเสริมให้เห็นชัดอันนั้นแหละเรียกว่าพยัญชนะเนี่ยนะนะก็คือประโยคนั่นเองนะ พ่อพูดแค่คำสองคาบางทีไม่ชัดใช่ไหมก็ต้องเอาประโยคมาอธิบายส่วนอาการะอาการะก็คือส่วนแห่งวากยะหรือวิภาคแห่งพยัญชนะก็คือประโยคเยอะประโยคนั่นแหละนะเรียกว่าทำพยัญชนะหรือทำประโยคให้มันชัดเจนขึ้นก็เช่นว่าอธิบายนะว่าอิทธิบาทเนี่ยฉันท่าเป็นไงนะความพอใจความเป็นผู้พอใจ ความเป็นผู้ใคร่จะทำเป็นท่นนะกัดตกกรร ม, มยตาฉันทะก็คืออธิบายให้มันชัดเจนยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะให้มันละเอียดขึ้นอนะ่ะอันนี้แหละเขาเรียกว่าอาการหรือเขาเรียกว่าส่วนแห่งวากยะส่วนนิรุติเนี่ยนะนิรุติคือนิรุติเนี่ยเป็นคําวิคหะก็ได้หรือคําแสดงสภาวะนิรุตตัวนี้เนี่ยนะเป็นคําแสดงถึงสภาวะ ที่ประกอบไปด้วยอาการอย่างเช่นภัสสะมีสภาวะอย่างไรเนี่ยนะก็แสดงใช่ไหมผัสสะมีสภาวะกระทบอารมณ์เวทนามีสภาวะสเสวยรสของอารมณ์สัญญามีสภาวะจําอารมณ์เป็นต้นเนี่ยนะเจตนาสภาวะที่กระตุ้นเตือนสัมปยุต ธ, ธรรมให้รู้อารมณ์วิญญาณสภาวะเขารู้แจ้งอารมณ์เนี่ยนะพวกนี้เระะียกว่านิรุติคือให้รู้ความหมายคําวิเคราะห์แต่ละคําแต่ละคําว่า มีเนื้อหาความหมายอย่างไรส่วนนิเทศนิเทศก็คือขยายความแห่งนิรุติเช่นว่าเมื่อกี้บอกว่าสุขเวทนาเนี่ยน ะ, ะเวทนาเนี่ยธรรมชาติที่เสวยอารมณ์ใช่ไหมแล้วเวทนามีกี่อย่างมีสามอย่างย่อๆนะคือสุขทุกข์และอุเบกขาแล้วสุขเป็นยังไงสุขคือการเสวยสุขคือเป็นไปสบายสุขคือเป็นไปสบา ย, อ, บายอ่ะคิดว่าไม่ต้องอดทนอะไรเลยนะ ความสุขนี้ไม่ต้องใช้ขันติสังวนนะว่ามันทนได้อยู่แล้วเนี่ยนะอยู่ได้สบายมากถ้าทุกข์ล่ะเป็นอยู่ไม่สบายหรือทนได้ยากทนลําบากทนยากก็คืออดทนยากะนะอยู่ยากอะ่ะส่วนอุเบกขาเรียกว่าไม่ไม่สบายแล้วก็ไม่ลําบากคือปานกลางว่า ง, งั้นอันนั้นเป็นอุเบกขาคือการเอามานิเทศมาแสดงแบบนี้แหละคือนิเทศเนี่ยนะนิเทศ ทวนว่าอักขระกับบทนี้พระพุทธเจ้าใช้กับอุคติตันยูพยัญชนะกับอาการใช้กับวิปัญจิตันยูนิรุตกับนิเทศใช้กับนัยะบุคคลเนี่ยนะพวกพวกเราเนี่ยสงสัยจะต้องเรียนอภิธรรมปิดกกันหน้าดูเลยนะถ้าเป็นนัยยะใช่ไหมต้องเรียนมากนัยยะยุคนี้แตกต่างจากนัยยะยุคโบราณ น, นะนัยยะยุคโบราณ น, นี่เขาเป็นยังไงคือเขารู้เขาปัญญาน้อยเขาต้องเรียนมาก เขาต้องฟังมากเขาต้องทุ่มเทเอาเต็มที่ในยะยุคนี้เนี่ยต้องการคำง่ายๆโอ้ยมันมากไปมั้งใครจะไปอ่านวาดอ่านไว้ใครจะไปจำได้เนี่ยนะก็ถ้าไปเชียงใหม่ลูกท้อน่าจะขายดีอะอย่างไงก็ <c oughs> มีท้ออยู่ขาย <c oughs> ทีนี้ถ้าอัฐบทเนี่ยนะอัฐปาฐะเนี่ยอัฐมีหกประการด้วยกันอัฐหกประการก็คือหนึ่งอักขระ ส อ, เ, อเข้าไป น, นะสังกาสนา 2. อปกาสนา 3. วิวรรณา 4. วิภาชนะา 5. อุตตนีกรณะ 6. ก, ก็บัญญัติเนี่ยนะยังในหน้า8อยู่นะก็ก็ดูตามนั้นนะตรงนั้นเขาแปลให้ดูย่อๆตรงนี้นก็อธิบายเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยส่วนผู้ต้องการรายละเอียดจริงๆเนี่ยนะก็เพิ่มอีกนี้หน่อยก็ไปดูในเล่ม65ห้านะหน้า1 5้าถึงหน้า40 ในอัตถกามหานิเทศเนี่ยข้อแรกก่อนนะ้สังกาสนาสังกาสนานี่แปลว่าการแสดงแบบสังเขปหรือบางทีก็แปลว่าประกาศให้รู้ชัดการประกาศให้รู้ชัดเนี่ยมีตัวอย่างไม้มบอกมีอย่างพิษสุรูปหนึ่งเนี่ยเข้าไปขอกรรมฐานกับพระพุทธเจ้านะขอให้พระองค์ให้กรรมฐานแก่ข้าพระองค์โดยย่อเถอะ เมื่อข่าพระ อ, องค์รับกรรมฐานนะข่าพระ อ, องค์จะไปหลีกเร้นจะบําเพ็ญเพียรจะมีตนส่งไปแล้วไม่อะไรในร่างกายและชีวิตเนี่ยมีจิตส่งปฏิบัติตามอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าก็เลยให้กรรมฐานคือพระ อ, องค์ก็ให้กรรมฐานบอกว่าเมื่อสําคัญอยู่แลมารย่อมผูกมัดเมื่อไม่สําคัญมารย่อมไม่ผูกมัดเออเขาฟังแค่นี้แหละเขาเข้าใจเลยะนะ เนี่ยคำแสดงเบื้องต้นนะเขบอกว่าเมื่อสําคัญอยู่แลมารจึงผูกมัดเมื่อไม่สําคัญมารไม่ผูกมัดภิกษุบอกเข้าใจแล้วพระเจ้าค่ะอนะของเรารู้เลยใช่ไหม ย, ยังไม่เข้าใจปัญญาเข้าใจแล้วยังนะเมื่อสําคัญอยู่แลมารจึงผูกมัดเมื่อไม่สําคัญเนี่ยมารไม่ผูกมัด ภิกษุท่านก็บอกว่าเข้าใจแล้วพระเจ้าข่าวว่าเมื่อสําคัญในรูปด้วยอํานาจตันหามานะทิฐิมานจึงผูกมัดเมื่อสําคัญในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณด้วยอํานาจตันหามานะทิฐิเนี่ยมานจึงผูกมัดถ้าไม่สําคัญในรูปด้วยอํานาจตันหามานะทิฐิมานก็ไม่ผูกมัดเนี่ยนะพระพุทธองค์ก็รับรองว่าใช่เธอเข้าใจถูกแล้ว นะก็บอกว่าสำคัญนะนะาว่าสคัญเรื่องหน้าตันหามานะที่ถีในขันท่านเนี่ยมานี่มัดไว้แล้วแต่ถ้าไม่สำคัญนะมานมัดไม่ได้พ้นทุกได้เพราะฉะนั้นพระพิสูน์ี่เข้าใจทันทีอันนี้เรียกว่าสังขารนาแสดงแบบยอ ม, มากแต่ก็มีคนเข้าใจจนได้นะอย่างเนติปรกรณ์เนี่ยพระมหากัจัยนะท่านมาทำได้ยังไงก็ไม่รู้นะคิ ด, ค, ดคิดแบบธรรมดาทั่ ว, วไปเนะนี่ยนะก็ประกาศถึงว่าท่านนี่มีปัญญามาก เวลาเจริญสังกคุณว่าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้อะไรสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยานัทสนานะอย่างนี้เราเรียนเนติปรกรณ์ก็หนึ่งโอหพระหมหากระจยนะเนี่ยท่านมีปัญญา ม, มากะนะแล้วเนติปรกรณ์เนี่ยเป็นคำพีที่เอาไปเป็นเครื่องมือในการช่วยคิดพระไตรปิฎกนะถ้าเราจําพระไตรปิฎกได้ทั้งหมดนะแล้วเอาเอาเนติปรกรไปคิดทุกคนะําำจะกว้างขวางขนาดไหน โอ้นี่ถ้ามหากัเจยนะยังมีปัญญาขนาดนี้ภาษารรบุตรเนี่ยสมมติถ้าเราจํามหานิเทศจุลนิเทศได้ทั้งหมดเนี่ยสมมุตินะแล้วเอาไปคิดพยัญชนะในพระไตรปิฎกทุกคําเลยอ่ะโอ้ปัญญาเนี่ยนับดาวได้จริงๆอย่างนี้เราจะรู้โอ้โหภาษาวกพระพุทธเจ้ามีปัญญาจริงๆริงเหนไหั้นเราก็เจริญสังฆคุณได้แล้วใช่ไหมก็เจริญไม่ยากนะนั้นภาษาวก ข, ของพระพุทธเจ้าเนี่ยบางพวกที่เป็นอุคติตันยูเนี่ยบอกแค่นี้ท่านก็เข้าใจแล้วปฏิบัติได้แล้ว แต่บางคนนี่ก็ต้องอประกาศให้ชัดขึ้นอีกนิดหน่อยเนี่ยนะที่เรียกว่าประกาศนาประกาศนาก็คือการแสดงในเบื้องต้นคือทําเนื้อความที่ควรกล่าวในเบื้องต้นอย่างอย่างในอะไรยกตัวอย่างในอธิตตะประยยิยยาสูจะไหมสัพพังพิขเวยาที่ตังดูความพิสูทั้งหลายสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนเดี๋ยนะอันนี้ก็คือแสดงให้เห็นชัดก่อนนะ c o r r e c แล้วก็ขยายให้เข้าใจอีกเพิ่มอีกว่าอะไรเป็นของร้อนบอกว่ารูปเป็นของร้อน จักสูเป็นของร้อนรูปเป็นของร้อนจักขูวิญญาณเป็นของร้อนภาษาก็เป็นของร้อนเวทนาก็เป็นของร้อนเนี่ยนะแล้วก็ไล่ทวารอย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกทวารอริยาสาวกเมื่อได้ฟังอย่างนี้ย่อมเบื่อนายแม่นายจักสูเป็นต้นเมื่อเบื่อนายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นก็รู้ชาติว่ชาสิ้นแล้วพรหมาจารย์อยู่จบแล้วกิติี่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีเนี่ยนะอันนี้ก็ฟังแล้วก็บรรุเลยเนี่ยนะ ฟังจบเนี่ยนะเทสนาในอธิตะประยายสูตรบรรลุหนึ่งพนั้นพวกนี้เป็นอกคติตันยูทั้งนั้นนะ่ะนะเป็นอกคติตันยูเพราะประกาศนาเนี่ยก็คือประกาศให้ให้ชัดน่ะนะประกาศให้ให้ชัดขึ้นสแสดงเพิ่มเติมส่วนวิวันาเนี่ยนะวิปวน า, าพวกนี้จะเป็นวิปัญจิตันยูนะพวกวิวารนากับวิพัชนาเนี่ยเป็นเหมาะกับพวก วิปัญจิตันยูวิวรณาก็คือการขยายความหรือการเปิดเผยคือเปิดเผยเนื้อความให้พิสดารทวนย้อนนิดนิดหนึ่งนะว่าข้อหนึ่งข้อสองพอพระพุทธเจ้าแสดงแบบนั้นจบเนี่ยเขาไปคิดเองได้เลยใช่ไหมประกาศถึงความที่เขามีจินตามยะปัญญาส่วนพวกวิ ว, วรณาวิพัชนาพวกนี้ไม่มีจินตามยะปัญญาเนี่ยนะเรียกว่าต้องอธิบายทุกคำเลยอะว่า ข้าที่บายยังไงอธิบายว่ากุสลธรรมมาเนี่ยนะก็แสดงไว้ครั้งแรกให้เห็นก่อนใช่ไหมพวกอุคติตัญยูนี่ฟังเข้าใจเลยใช่ไหมกุสลาธรรมมาให้เป็นยังไงกุศลนเนี่ยแต่ว่าพวกวิปัญจิตันยูไม่ได้ต้องบอกว่ายัสมิงสมยเยกา ม, มาวาจรังกุสลังจิตตังอุปนังโหตีเนี่ยนะบอกว่าในสมัยใดกา ม, มาวาจรกุศ ล, ลจิตเกิดขึ้นมีรูปประกอบด้วยปัญญาเนี่ยนะมีโสมนัส มีรูปเป็นอารมณ์มีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโพธิภาพมีธรรมะเป็นอารมณ์เนี่ยอย่างนี้แหละเป็นกุศลอยากต้องมาขยายอีกว่าเออกุศลเนี่ยต้องเป็นทานศีลเป็นภาวนานะมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโพธิภมีธรรมะเป็นอารมณ์อ่ะพวกนี้ฟังแล้วเข้าใจเลยเนี่ยนะเกิดว่าต้องอธิบายนะเขาจึงจะคิดออกถ้าไม่อธิบายคิดไม่ออกเพราะวิวัฒนาเนี่ยจะเหมาะกับพวกวิปัญจิตันอยู่ทีนี้การ การอธิบายเพิ่มเติมเนี่ยนะบางพวกก็ต้องอธิบายเพิ่มละเอียดกว่านั้นพวกนี้ก็จะเป็นพวกวิพัชนาจําแนกออกมาเป็นบทบทให้เห็นชัดเนี่ยนะทำเนื้อความให้เป็นส่วนๆเคอก็บอกว่าในสมัยใดกุศลเกิดขึ้นมีรูปเป็นอารมณ์มีเสียงมีกลิ่นมีรสมีผลิตภัพ์เป็นอารมณ์ม เ, มนมม เ, นมเนี่ยไอ้พวกแรกเข้าใจเออกุศลมันเป็นอย่างนั้น พวกที่สองไม่ได้นะต้องบอกอีกว่าครูสนนะมีภาษะเกิดขึ้นมีเวทนาเกิดขึ้นมีสัญญาเกิดขึ้นมีเวทนาเกิดขึ้นมีจิตเกิดขึ้นเนี่ยนะต้องเรียกว่าภาษบาบรรจกะต้องขึ้นมานะว่ามีภาษาเวทนาสัญญาเจตนาจิตมีวิตกวิจารณ์อะไรอีกชันนะวิตกวิจารณ์ปีติสุขเ อ, เอกคตาเนี่ยนะแล้วก็ยังมีอะไรอีก โดยอินทรียีใช่ไหมวิริยินทรีสัตถินรีสมาธินรีเป็นต้นอะ่ะพวกนี้ก็จะชี้แจงให้ชัดขึ้นพวกนี้เรียกว่าวิพัชนาเนี่ยนะก็จำแนกเพิ่มเติมไปอีกส่วนนยะบุคคลเนี่ยนยะบุคคลต้องอ า, อาศัยนิรุตกับนิเทศนิรุตกับนิเทศนะนัยะบุคคลคือในนิรุตเนี่ยก็คืออุตตนีการณะกับบัญญัติเนี่ยนะบัญญัติบัญญัต อุตณีการณะคือการทำให้เข้าใจง่ายด้วยอุปมาพวกนี้ไม่ได้สแสดงมาหมดแล้วต้องอุปมาด้วยนะบอกว่าภาษาธรรมชาติที่กระทบอารมณ์มันกระทบยังไงวะกันต้องบอกเออเหมือนอย่างว่าแม่โคหนังปอกอะ่ะนะถ้าภาษานะพึงเห็นเหมือนอย่างว่าแม่โคที่ถูกถลกหนังถ้าไปอยู่บนบกก็ถูกแมลงบนบกกัดถ้าอยู่กลางอากาศเนี่ยเดินทั่วๆไปก็ถูกแมลง แถบบินทั่วๆนั้นอะกัดไปอยู่โคนร่วมไม้ก็ถูกแมลงเหล่านั้นเนี่ยกัดฉันใดภาสะก็ฉันนั้นเพิ่งเห็นเหมือนกับแม่โคหนังปอกเนี่ยนะอีกนายหนึ่งก็บอกว่าภาสสะเหมือนอ น, นะวัตถุภายในเหมือนอะไรเหมือนแพะอีกตัวหนึ่งวัตถุภายนอกอ่ น, นะวัตถุกกอารมณ์เนี่ยมากระทบกันเหมือนแพชนกันเออผัสะมันเป็นอย่างนั้นแหละอ่ น, นะก็ต้องอุปมากันอย่างเงี้ยจึงจะเห็นเนี่ยนะ เรียกว่าวินยูชนในโลกบางพวกจะรู้เนื้อความได้ก็อาศัยอุปมาใช่ไหมจึงจะเข้าใจทีนี้พวกอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยอุปมาก็ยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องอีกอนะเป็นเอามาก <c oughs> พวกนี้ก็ต้องแสดงบ่มอินซีเอาเนี่ยนะพวกบัญญัติเนี่ยนะบัญญัติคืออะไรคือการให้รู้ประเภทแห่งอัดโดยที่แสดงทำให้เขาเกิดสมนัตเนี่ยนะอย่างพระพุทธเจ้าจะแสดงธรรมะบ่มอินรีพระราหุลด้วย อย่างพระราหูนเนี่ยจะถูกพระพุทธเจ้าแสดงธรรมะเพื่อบ่มอินทนระีนะเริ่มแสดงตั้งแต่อายุ7ขวบขึ้นมา น, นะเช่นพระสูตรที่พระองค์ตรัสว่าราหุูเธอเห็นน้ำ น, นะคือพระองค์ตักน้ำเนี่ยรดพระบาทใช่ไหมเพื่อจะล้างพระบาทเนี่ยแต่ก็เหลือน้ําไว้หน่อยหนึ่งก็บอกว่าผู้ที่รู้อยู่แล้วยังกล่าวมุสาเพื่อจะหัวเราะเล่นนะความเป็นสมณนะก็เหลือน้อยเหมือนกับ น้ำเนี่ยแล้วก็ลดอย่างเงี้ยไปเรื่อยจนถึงความกลาเนี่ยนะนใครที่ยังรู้รู้อยู่แล้วก็พูดมุสามแมกโดยที่สุดเพื่อจะหัวเราะเล่นความเป็นสมณะก็ไม่มีฉันนั้นและพระองค์ก็บอกว่าให้ตรวจสอบกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เคยทำมาเนี่ยนะถ้าผิดก็ตั้งใจสมาทานเอาใหม่แล้วก็สิ่งที่จะทำต่อไปนี่ก็ให้ตรวจสอบถ้าหากว่าผิดก็อย่าทาถ้าถูกก็ตั้งใจทาแล้วสิ่งที่กาลังพูดกาลังทำ กำลังคิดอยู่ขณะนี้ก็ตรวจสอบให้ดีพระองค์ก็สอนเพื่อจะบ่มอินทรีย์มาอย่างนี้เรื่อยๆอ น, นะหรือพระสูตรที่สูตรบ่มอินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยนะธรรมะที่จะบ่มอินซีอ่ะเช่นศรัทธาเนี่ยมีวิธีเจริญอยู่3ประการนะถ้าใครจะเจริญสัตตินรีย์่นหนึ่งอเวนหลีกเลี่ยงคนไม่มีศรัทธาสองคบคนมีศรัทธาสาพิจารณาโสตาปฏิยังฆาธรรมหรือพระสูตรเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาให้มาก ถ้าต้องการปรารบความเพียรก็ต้องหลีกเล้งเว้นคนขี้เกียจคบคนมีความเพียรแล้วก็พิจารณาพระสูตรเป็นที่ตั้งแห่งความเพียรเนี่ยนะเพราะการแสดงพระธรรมเหล่านี้ให้เขาได้ยินได้ฟังส่องเสพบ่อยครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าอ่ะให้เขาเกิดสติเกิดปัญญาเกิดการเข้าใจอินทรีย์เข้าเจริญขึ้นเจริญขึ้นอย่างนี้เรียกว่าบัญญัติบัญญัติเนี่ยนะก็คือคําสอนที่สงเคราะห์พวก ใ น, ในยะบุคคลเนี่ยนะว่าโดยย่อสรุปก็คือสูตรบ่มอินซีนั่นเองนะบ่มศรัทธาวิรยิยสติสมาธิแล้วก็ปัญญากันะข้อหนึ่งนะยอ่อีกครั้งหนึ่งนะสังกาสนาประกาศสนานี้เหมาะกับพวกอุคติตันยูวิวารณาวิพัชนาพวกนี้ก็เหมาะกับวิปัญจิตันยูอุตนีกรณะบัญญัติพวกนี้ก็ยบุคคลนะเป็น คำสอนเหล่านี้ทั้งหมดทั้งอัฐ บ, บทพยัญชนะบทเรียกว่าบทสิบสอในเนติปกรณ์เนี่ยเพื่อให้รู้อะไร <events> เพื่อเพื่อให้รู้อริยสัจนั่นเองเนะพระพุทธเจ้าแสดงสิ่งเหล่านี้ที่บุคคลอื่นไม่สามารถทําได้เพื่อให้สาวกทั้งหลายเนี่อรู้อริยสัจเพราะฉะนั้นคําว่าพระพุทธเจ้าแสดงทำแล้วก็คือแสดงอริยสัจเนี่ยนะที่ผ่านไปเมื่อกี้ยกเฉพาะให้เห็นทุกขสัจก่อนเนี่ยนะว่ามีการแสดงทั้งแบบ สรุปว่าแบบยอ่อแบบปานกลางและแบบพิสดารเนี่ยนะอุเทศเหมาะอุเทศเนี่ยแสดงแบบย่อๆเหมาะกับอุคติตันยูนิเทศขยายพวกนี้เหมาะกับในวิปัญจิตันยูถ้าปฏินิเทศขยายอย่างพิสดารแล้วก็ไปฟังไปสอบถามไปเรียนอย่างมากพวกนี้ก็เหมาะกับนัยะบุคคลเนี่ยนะนั้นคําสอนในพระไตรปิฎกเนี่ยก็เป็นคําสอนที่สงเคราะห์บุคคลต่างๆนั่นเอง ของเราถ้าเรารู้ว่าเราเป็นบุคคลประเภทไหนก็อนุโมทนาด้วยนะถ้ารู้ว่าเป็นนัยะก็จะได้ขวนขวายะแต่นี่ก็ควนขวายแล้วไม่ใช่ไม่ควนขวายแต่ไม่ใช่ว่ากินลูกท้อไปทั้งคนแต่ถ้ากินลูกท้อดีนะโอขอมาเนี่ยน่าจะดีไปนานแล้วสมัยแรกๆเอาหนังสือมากงองใครจะอ่านจบกันนี่ก็เลยท้อไปทิ้งแล้วงั้นแกก็ ไม่ได้จบไม่ได้เข้าใจเพราะท้อนะเข้าใจเพราะอ่านนะวันนี้ก็ช่วงเช้าก็สมควรกับเวลา